พร่อง 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นผ่านๆ2 2, ๆ, าย, ง, อน, 2, กก อย, 2 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันเขตหนึ่งเขตสองเหนือสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เขต 2 บริษัทอสมทจำกัดมหาชนตำรวจและตำรวจๆรวม 100 สถานี จะวิทยุรวมการเฉพาะกิจกันจัดรายการใน 25 นาทีช่วง 8 ตั้งแต่ 8:05 น. ถึงเวลา น. 5 น.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 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ 2 นครราชสีมานะ 20 จังหวัดภาคอีสาน การ 7 นาทีโดยประมาณถึง 8:30 น. น. นวันนี้ดิฉันธิดารัตน์อากรตน 3 แล้วสําหรับรายการ พบกับท่านผู้ จัดการไปเรียบร้อยแล้วไม่ 11 ประเด็นน่ะ สภาพปัญหาเนี่ยก็คงจะต้องรับฟัง การตรวจจนความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะครับ<ใช> ถ้าเป็น 100% 1,000% อะไรอย่างเงี้ยนะ ถูกไหมครับค่ะซึ่ง ค่ะสร้างชาติด้วยกันค่ะ 5 11 ก็คงพูดๆละกันนะครับเช่นประเด็นการปฏิรูปการเมือง อ่าประมุขของเราเนี่ยนะครับก็ ดังนั้นทิศทางในการทํา <คะ. S 2> แล้วก็มีกลไกต่างๆเข้ามา <c oughs> <c oughs> รับรู้นะครับได้หลายๆเรื่องมาก ก็คือการมีส่วน <c oughs> แข็งแกร่งได้นะครับก็คือว่า เป็นพลังนี่ไม่ได้หมาย เหมือนกับพี่น้องประชาชน เดี๋ยวก็ศึกษาเสียงเป็นต้นนะฮะค่ะครับก็มองว่า ถึงระดับประเทศเนี่ยมันก็ควรจะพัฒนาในทาง คนก็บอกว่าคนที่จะ เป็นจะครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ 2, เปเป 2> อืมซึ่งก็ ทุกคนก็จะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3 ทางฝั่งนี้ก็เป็นเอ่อ<อ> คือก็ผมคิดว่าพี่น้องจริงๆแล้ว ส่วนสหพันธรัฐนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เอาก็ ซึ่งทําความเข้าใจยากอย่างเช่นในกรุงเทพมหานคร เทศบาลมันพื้นที่มันแตกอย่างไรหน้า การกระจายอํานาจเนี่ยมีกระจายอยู่ บางอันก็มาจากการแต่งตั้งนะครับก็เช่นอำนาจค่ะซึ่ง ก็จะอยู่ที่ท้องถิ่นได้นะครับดัง ที่จะตนก็ ก็อันนี้อยู่ในหลักของการกระจายอํานาจนะค่ะแต่ว่าค่ะใน เป้าหมายเป Peace and Happiness Mission ดังนั้นหัว 4 ประการโดยใช้หลักของปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้เพื่อเป้าหมายที่ 1 คือลด 2 ก็ เป้า 3 คือก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยเป 4 ทันมาภิบาล 4 เป้าหมายนี้นะครับผล นะครับ ค่ะเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะพี่น้องประชาชน การขยายเวลาต่อไปอีกก็คุณจะได้ army2.mi.th นะคะ 10 มิถุนายนค่ะเอ่อวันครับสวัสดีครับ สร้างสรรค์ FM 90.25 MHz สวท. นครพนมกันเข้าพรรษา